จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเทน้ำใจตอนที่สองศัตรูที่รักโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21กรกฎาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบบัด น, นี้ค่ะ เทน้ำใจภาค2ขงาวที่แล้วเทน้ำใจภาค1อ่งลองฟังดูนะาการฆ่าและวิธีการใช้กำลังความรุนแรงไม่เคยนำความสงบสุขอันแท้จริงมาสู่สังคมมนุษย์นี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดเพราะผู้แพ้ย่มเจ็บปวดทรมานผู้โกรธ ย่อมจองเวรส่วนผู้ชนะก็สร้างเวรก่อศัตรูเพิ่มแต่หลงผิดดีใจว่าข้าชนะข้าเก่งข้าคือวีรบุรุษนะอันนี้ก็เป็นไทเทนของตอนนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆค่านิยมของสังคมทั่วๆไปนะเขาจะเห็นว่าการชนะได้เนี่ยการใช้ความรุนแรงได้ เอาชนะคนที่เราไม่ชอบหรือฆ่าศึกหรือศัตรูได้เราถือว่าเป็นบีระบุรุษต่อให้บางทีเนี่ยฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านยังไงชนะมาเขาก็ถือว่าแมเป็น บ, บีระบุรุษมากนะซึ่งเราจะเห็นได้จากการเกิดสงครามสงครามนะสงครามโรคครั้งที่หนึ่งครั้งที่2หรือสงครามอื่นๆก็ตาม จะมากเลยแล้วก็ความรู้สึกอย่างนี้คนก็จะมีมากจริงๆด้วยจนในที่สุดาบางคนเนี่ยก็จะอะไรอะให้เก่งอย่างนี้แหละจะพยายามใ ห, ให้เก่งแบบนี้เพื่อที่เพื่อที่จะได้แบบว่าได้รับการยกย่องการสรรเสริญ น, นะมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่มาของยิ่งนานวันคนเราก็ รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังๆเนี่ยบางทีอัตมาก็ช่วยตรวจไอ้พวกหนังพวกอะไรต่างๆพวกเนี้บ้างนนะอัตมาเห็นได้เลยถ้าเป็นหนังสมัยเก่าก่อนมันเนี่ยนะไม่ค่อยรุนแรงหรอกจะยิงกันจะฆ่ากันจะอะไรทีนึงเนี่ยโอ้ไม่เท่าไหร่เลยแต่ทุกวันเนี่ยไม่เพียงแต่ยิงกันตายธรรมดานะแบบ เลือดเนี่ยคือเขาต้องทําให้แมมให้เลือดอ ม, มันมันไม่ใช่สมจริงสมจังมันเกินจริงเกินจังคือเลือดเนี่ยบางทีโอ้โหไหลหรือว่าเวลามีดฟันนี่ต้องแหมแขนขาดหัวขาดแล้วนะแล้วก็โอ้โหเห็นอะไรนะเห็นเนื้อแบกออกมาแล้วก็เลือดไหลคือโอ้โหต้องทําเวอร์สุดๆแล้วก็ให้มันหนักๆแล้วก็แปลกนะคนมันก็ไปดูกันนะ่ะ จะใช้โรงหนังก็ตามหรือว่าจะไปเป็นวีดีโอเป็นอะไรก็ตามโอ้โหมันก็คนก็ดูกันไม่ใช่แค่หนังฝรั่งเดี๋ยวเนี้หนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งมันเหมือนกันหมดเลยมันมันบ้าระห่ำไปด้วยกันหมดคุณสังเกตมาหนังหนังไทยหลังๆเนี่ยคุณเห็นไหมจะเอาละจะบางอาจันก็ตามจะอะไรก็ตามเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้ทําหนักข้อกันเรื่อยๆ เห็นเลยว่าโอ้โหต้องฟันอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้จริงเขาก็บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์แหมเป็นบีและปูหุษเป็นอะไรต่ออะไรแต่ว่าคนดูแล้วเนี่ยอะไรที่ได้รับเข้าไปความรุนแรงความที่จะแบบว่า ม, มันต้องอย่างงี้สิมันถึงจะสะใจไอ้อันนี้สะสมมากเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องระวังบางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่กลุ่มเราเนี่ยรุนแรงยังไงบางทีก็โกรธ ว่ากันอะไรกันมีแต่น้อยรายมากที่จะถึงขั้นทาร้ายกันอันนี้น้อยมากๆานะนานทีปีหนจะโผล่มาทักไลน์แต่ข้างนอกนี่ไม่ได้เลยนะบางทีเนี่ยคุณขือนรถเมย์คุณอะไรต่ออะไรต้องระมัดระวังคนที่ยังไม่ได้มาอยู่วัดนะี่นะยังอยู่พักอยู่ที่บ้านไปไหนมาไหนทำงานทำการต้องระวังหน่อยอย่านึกว่า สะสมบุญไว ม, มากพอแล้วบุญคุ้มคุ้มครองไปไหนก็ตกน้ำไม่ไหลก็จมตกไปไม่ไหม้ไม่ไหม้เลยเกยมเลยละ่ะเล้วเพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องระวังให้ดีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้เสียงเซ็กซี่แล้วเสียงแตกถ้าเสียงถ้าคอเนี่ยมันดีๆมันไม่เป็นไร อลองฟังต่อนะหากฆ่านิยมในสังคมยังเหอบีรบบุษรนักฆ่าอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เล่าจะเกิดสันติสุขสุมวลชนได้แล้วเมื่อไหร่ปัญหา น, านานาประการจึงจะถูกแก้ไขด้วยความพยายามใช้สันติวิธีได้สำเร็จพูดถึงตรงนี้นี่อาตมานึกถึงช่วงที่เราใช้อหิงสาอาโหสิไม่รู้ พวกหลังๆนี่จะเคยได้ยินอันนี้บ้างไหมมีอยู่ยุคนึงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราโดนอะไรอ่ะจะโดนจับจะโดนอะไรต่างต่างเนี่ยโอ้โหเขามาแรงจริงๆนะเขาจะเอารถตู้มารับโอ้โหเขาเอาตำรวจเอาอะไรมาลงเพื่อที่จะหรือ ว, ว่าเอาพวกเราไปนะพวกเราพ่อท่านก็กลัวว่าพวกเราเนี่ยเดี๋ยวจะโกรธขึ้นมาหรือว่าจะระ ง, งับยับยัง้งอารมณ์ไม่ได้นะก็เลยใช้คําเนี่ย อหิงสาโอโหสิหรือแม้แต่ไอช่วงพฤษภาธมินช่วงอะไรก็ยังยาวไปใช้อยู่บ้างเลยเพราะว่าถ้าไม่เอาคําอันเนี้ยไปเหมือนกับยันอันนี้แหละยันของจีนเหมือนเหมือนกับผ้ายันที่กันหนังเหนียวกันอะไรต่ออะไรอันเนี้ยเป็นยันแท้ๆนะเขียนไปเลยอหิงสาโอโหสิอหิงสาคืออะไรอหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนอโหสิอะ เออนะก็ยกให้ให้อภัยอะไรต่างๆนะโหสิกรรมกันไปเพราะนั้นการที่พยายามเอาคานี้มาเตือนเนี่ยให้เราเนี่ยอย่าคำว่าไม่เบียดเบียนคือคืออย่ารุนแรงอย่าไปใช้อารมณ์ใช้ความเกียดชังใช้ความแค้นอะไรเข้าไปนะส่วนโหสิกก็คือการให้นั่นเองนะขอให้ให้อภัยกันอย่า มาถือสาอยามาอะไรกันเพราะอันนี้มันจะคอยเตือนใจวันพวกที่ไปร่วมตอนนั้นเนี่ยนะก็จะต้องพยายามเอาอันเนี้ยเป็นเหมือนกับผ้ายันติดเอาไว้ไม่ใช่แบบเรื่องบางระจันเอ อ, อะไรนะใส่ไอ้ไ อ, อ, อ, อ้อะไรอะผ้ายันเพราะว่าตามแขนมั่งตามหัวมั่งผ้าประเจียกนะเออบางทีมีตะกุดมีผ้ามีอะไรโอ้หอย อันนั้นนะไม่ใช่ยันของจริงหรอกอันนั้นนะเผลอๆยิ่งมียิ่งใส่มันยิ่งยังไงนี่แหละเหนียวนี่แหละเดี๋ยวยิ่งไม่กลัวมีเรื่องเลยยิ่งรุนแรงหนักอันนี้เนี่ยอาตมารู้เลยเพราะว่าจากที่เคยไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะเคยไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยบางทีไ อ, อความรู้สึกพวกเนี้มันเป็นความรู้สึกนะเราได้รับการฝึกมาเขาฝึกแบบว่า เ, าเอามันจะมีปืนให้ฝึกอะไรเงี้ยฝึกยิง ฝึกติดดาบปลปืนฝึกแทงอะไรเงี้ยนะฝึกฆ่านั่นเองแล้วก็ต้องรับคําสั่งคือมันเหมือนกับสกดจิตเราอ่ะเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหเคยชินเลยนะบางทีรู้สึกว่าถ้าเขาสั่งมาเราต้อเราต้องทําไปตามนะคือเรากลัวว่าไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวโดนเล่นงานเดี๋ยวโดนผู้บังคับบัญชาเล่นงานอย่างเงี้ย คือคือมันจะเกิดไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นอัตมาถึงบอกว่ายิ่งไอมีตะกุดมีพระห้อยคอมีอะไรนะโอ้โหยิ่งหนักข้อเลยนะยิ่งบอกว่าคลังนะเหนียวนะป้องกันอาวุธได้นะ อ, อ่ก็ยิ่งพอใส่อยู่กับตัวเนี่ยโอ้โหคึ้เขิมมากนะพร้อมเลยไม่กลัวไม่กลัวเรื่องมีเรื่องเลยไม่กลัวการที่จะทะเลาะบ่อแว่งกัน การที่เกิดจะยิงจะแทงอะไรก็ขึ้นมามันไม่กลัวเลยนะพร้อมเลยโดยเฉพาะพวกทหารเกณฑ์เนี่ยอพวกพวกเป็นทหารก็แล้วกันเขาจะบอกเลยนะถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาปับ๊บรีบเข้ากรมมีเรื่องอะไรรีบเข้ากรมก่อนไม่ต้องไปอะไรเขาจะสั่งไว้อย่างนี้เลยเหมือนกับว่ายิมันเหมือนกับมีที่คุ้มครองอะ่ะมีบีแบ็กหนุนหลังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่า ยิ่งไม่กลัวใหญ่เลยเพราะอันนี้แหละประเด็นพวกนี้ทำให้คนระหำหนักขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเดินไปตามถนนหนทางหรือว่าไปเจอกันเอ๊ะมองงนี้ได้ไงมองงนี้นี่เออหาเรื่องเหรอเออหาเรื่องเหรอกวนเหรอมันเอาทันทีเลยนะมันเริ่มจะเล่นงานเขาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เลยเพราะจริงๆเนี่ยไม่ควรเลยพวกพวกที่เขา ไปติดไอ้พวกวัตถุมงคลอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาบอกว่ามงคลเนี่ยจริงๆมันไม่มงคลเลยคือมันไม่ได้จะทําให้จิตใจพัฒนามงคลนี่มันจริงๆต้องทําให้จิตใจของเราเนี่ยพัฒนาหรือจเจริญขึ้นอแต่ทุกวันเนี้นั่นแหละมันจะอัประมงคลละคือมันมีแต่ยิ่งมีเข้าไปนี่ยิ่งโอ้โหแล้วแต่สิมีอะไรอะ่ะกูจะมีประเภทอะไรอะ่ะที่เขาคิดว่าขังๆวิเศษวิเศษฮะ มีอะไรมัง่งหใครเคยใครเคยไปมีมาบ้างในที่นี้ไม่เคยเลยเหรอเอาไปมีอะไรมานหนสิกันอะไรล่ะตะกกดล่ะตัวเอ้เป็นกาลังใจอ่ะรู้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าอะไรอย่างอยู่เช่นเหล็กหลเหล็กหลนี่ก็ต้องฝังเลยก็ต้องฝังเข้าเนื้อเลยถ้าเหล็กหลแต่มันไม่ค่อยมีจริงหรอกส่วนใหญ่โดนหลอกกัน โอ้เขาขายกั็เป็นล้านเลยนะเหล็กไหลเนี่ยแต่ไม่จริงจะใหญ่โดนหลอกเหล็กไหลนี่ก็ฝังเข้าเนี้ยอคือเขามีความเชื่อว่าถ้าเป็นแบบเหล็กไหลเนี่ยสมมุติว่าใครยิงปืนมาหรือข้าวมีดฟาดฟันมาเนี่ยนะไอเหล็กไหลเนี่มันจะไหลไปรับเลยเขาถึงเรียกว่าเหล็กไหลมันจะไหลไปรับเลยแล้วกันทาให้เราไม่เป็นอะไรเอแล้วถ้าเกิดยิงที่ลูกตาเราอะฮะ <c oughs> <c oughs> มันจะไหลามาที่ลูกตาหละแล้วมันจะมารับหลือพระทรเอ้ยจริงๆคิดง่ายๆแค่นี้กันเนะไม่เห็นต้องไปคิดอะไรลึกซึ้งอะไรมากมายเลยโอ้แต่คนเราเชื่อจริงๆโอ้โหคนที่โดนหลอกขายแล้วเขาก็เชื่อจริงๆเลยนะโดนหลอกขายเนี่ยโอ้เป็นแสนๆเป็นล้านๆยอมซื้อแต่ว่าเขาก็ต้องไปพิสูจน์กันนะสไอ้พวกต้มตุนเนี่ยมันก็พยายามใช้วิธีการที่จะ หลอกให้เห็นว่าเป็นเป็นเหล็กที่มันมันไหลได้เขาก็พยายามหลอกเหมือนกันให้ให้คนที่ซื้อเนี่ยโดนหลอกจนสำเร็จแล้วก็ซื้อไปออก็มีคนโง่โ ง, ง่จนได้แต่ว่าไอ้บางทีก็ยากอยู่ไอ้พวกสิบแปดมงกุฎมันก็แหมมันก็ทำแนบเนียนหลอกได้สำเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องพวกนี้อาจาถึงบอกว่าโอ้โหคนเรานี่มันมันอาการหนัก แต่พวกที่ไม่ไปตีลานฟันแทงพวกที่ไม่ค่อยไปยุ่งกับไอไออันตรพานยุ่งกับอะไรที่มันต้องใช้ความรุนแรงใช้อาวุธอะไรพวกนี้เราก็ไม่สนใจอยู่แล้วละ่ะเออแต่เรามาสนใจอย่างอื่นเราไม่สนใจเรื่องความรุนแรงแต่อาจจะสนใจสาธิการินทองห <yll> <Sask atch warn ereye> น้าหน้าทองอานนี้เอาเอาแผ่นทองมาติดที่หน้าผากน้หน้าทองอหรืออะไรอีกอะ เออน้ำมันพายเอา้าเออเนี่ยคือไม่ไปทางรุนแรงกับบ้าไปทางกามพวกนี้บ้าไปทางกามสาริกาลินทองเขาบอกแม่ถ้าพูดแล้วก็โอ้โหเคลิมเลยใครได้ฟังแล้วก็ไปติดต่อไปทำอะไรสําเร็จหมดเนี่ก็งมงายเรื่องสายศาสตร์เรื่องไอ้เวทมนต์ของขลังอะไรพวกเนี้เยอะแ ย, ยะไปหมดนะซึ่งอันนี้แหละมันก็ทําให้คราวนี้ พอจะมาใช้วิธีการแบบสันติวิธีคําว่าสันติวิธีหมายถึงวิธีที่สงบวิธีที่เย็นวิธีที่ไม่เร่าร้อนไม่รุนแรงอะไรอันเนี้ยเรียกว่าสันติซึ่งมันยากถ้าคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมาแล้วมันมันเย็นไม่ลงนะมันจะแบบว่าพอได้รับปับ๊บมันจะขึ้นมันจะขึ้นแล้วมันก็เนี้ย <Yeah. S 1> ต้องเอาเรื่อง นะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพูดนี่พูดง่ายนะสันติวิธีออมีพวกพวกทางอิสลามพวกทางอะไรเนี่ยบางทีเวลาเขาทักทายกันเนี่ยก็ เ, เจอกันก็สันตินะเขาใช้คาว่าสันตินี่นะเขาทักทายกันเพื่อเพื่ อ, อที่จะให้แบบว่าเหมือนกับเราสำนึกดีอะไรเงี้ยน ะ, จะเจริญธรรมทักทายกัน ท, ที่จริงเป็นการเตือนสติเพื่อที่จะให้แบบว่า ให้ใจเย็นขึ้นให้มีสติรู้ตัวแต่ปรากฏว่ามีเหมือนกันที่บางคนไม่ค่อยชอบเลยนะพอจะยินพวกเราบอกสํานึกดีคือข่านี่สํานึกดีอยู่แล้วเองมันเองยังจะมาอะไรกับข้าอีกอะไรเงี้ยนะคือเหมือนเหมือนกับว่าข่าไม่ดีหรือไงเองถึงจะต้องมาย้ำกับข้าว่าสํานึกดีเออก็มีเหมือนกันนะคือถ้า ถ้าคนเราเนี่ยคิดในแง่ลบในแง่ร้ายคุณพูดดียังไงมันก็คิดไม่ดีอ่ะต่อให้คุณพูดหวานปานน้ําพึ่งเดือนห้าก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงบอกว่าต้องน้ําพึ่งเดือนห้าฮะเออก็นันตติทำไมมันถึงอร่อยไอ้น้ําพึ่งเดือนห้าอ่อ๋อ อา้อาวพูด ง, ง่ายๆนะที่คุยกันอยู่เนี่ยเดาทุกคนใช่ไหมเออเอานะเอาให้รู้ไว้ก่อนนะว่าเดานะว่าอา้าวมันเป็นหน้าร้อนอา้าวเสร็จแล้วก็เลยดอกไม้ก็หายากนะน้ําหายากพึ่งนี่มันก็โหกว่าจะไปเอาเอาเอาน้ําหวานจากดอกไม้มาได้มาเก็บเป็นรังมันได้นี่โอ้โหลําบากเนาะ เพราะฉะนั้นนี่โอ้โหลังพึ่งนี่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นหน้โหถ้าได้มาเดือนนี้นี่หวานมากอืม่ะเดานะเดานะบอกเลยไม่ใช่ตมาเดานะพูกคุณเดานะเนี่ยพอเข้าเขาพอเข้าเข้าเลยโอ้โหเอ้ยในโลกเนี้ยไอเหตุผลมันเยอะอยู่อ่ะเอาละเอาละใบน้ําไปน้ําพึ่งเลย อตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของเนี่ยความดุรแรงอ้าวเอาพูดถึงเรื่องพึ่งต่อก็ได้คือพึ่งเนี่ยถ้าบางทีเนี่ยสังเกตไหมเราไม่ไปเบียดเบียนไม่ทํำร้ายมันไม่ต้องพึ่งอสัตว์อื่นก็เหมือนเหมือนกันถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําร้ายมันนะบางทีมันมันไม่มาทํำร้ายเราหรอกสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มาทําร้ายคนง่ายๆส่วนใหญ่มีคนเนี่ยแหละที่ทํำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยง่ายได้เหลือเกินบางทีเนี่ยมันนอนอยู่ดีดีก็เตะมันเออ บางทีปีนต้นไม้อยู่ดีก็ไปยิงมันโอ้คนนี่หาเรื่องสัตว์อื่นมากที่สุดในโลกนี้เลยสังเกตหรือเปล่าละ่ะเอบ่งทีเนี่ยเดินสวนอยู่ด้วยกันดีๆนะหมามันก็เดินตามทางของมันคนก็เดินตามทางของมันโอ้คนเตะหมาล้องเอง n เองหมาวิ่งหนีไปเลยเออแมวเม่าอย่างี้ยบางทีแมวเม่าเดินมาคนจริงๆเนี่ยมือไม้มือไม้ซนมือไม้รุนแรงอยู่เรื่อยอะนะ แล้วก็สนุกซะด้วยนะไอ้ที่ทำมาแล้วนี่สนุกนะมันร้องเอ ENG เองๆๆวิ่งหนีบางทีหัวเราะใหญ่ขำเออเออคนเราเนี่ยมันมันจัดขึ้นทุกวันมันอารมณ์มันรุนแรงแล้วแทนที่จะรุนแรงเพราะความโกรธบางทีไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่รุนแรงเพราะความโกรธนะรุนแรงนี่เพราะสนุกสนุกคิดม่ามันในอารมณ์เป็นแบบซาดิสเนี่ยเป็นแบบซาดิสคนเดี๋ยวนี้ซาดิสมากขึ้นคือกลายเป็นว่า ใช้ความรุนแรงแบบนี้โอ้ยสนุกสะใจนะบางทีเอาหมามากัดกันอย่างเงี้ยนะเอาไก่มาตีกันโอ้โหมันทารุนมันทรมานจะตายไปแต่แหมาดูแล้วเชียร์กันโอ้ยสนุกสนุกดูคนชกมวยอย่างเงี้ยเอาคนขึ้นไปชกมวยมวยปั้มก็ตามไอ้มวยไทยมวยอะไรก็แล้วแต่สากลโอ้โหชกบางทีเลือดอาตาโเนี่ยเชียร์มันเข้าไปเชียร์มันเข้าไปเนี่ย เนี่ยเป็นความรุนแรงในอารมณ์ที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างเนี้จะมีสันติในหัวใจได้ยากบอกแลาจะสงบสุขแล้วก็ทำความเย็นให้กับหัวใจจริงๆยากแล้วคนที่ใจไม่มีความสงบไม่มีความเย็นเนี่ยคุณคิดหรือว่าเขาจะเอาอะไรอะความเย็นความสงบไปให้ใครเขาได้ในเมื่อใจเขาก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมันมันยาก เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่คนเราต้องพยายามฝึกฝนแล้วต้องพยายามสร้างขึ้นเพราะความจริงของคนเราเนี่ยมันรุนแรงความโลภความโกรธความหลงของคนเราเนี่ยกิเลสเนี่ยมันสะสมมานานหลายปีหลายชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสะสมพวกนี้เอาไว้ในใจเราเนี่ยรุนแรงต่อเมื่อมารู้ธรรมะมั่เข้าใจธรรมะแล้วธรรมะนี่เขาเรียกถึงความเย็นเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ําทิพย์ชโงมใจ นะที่มันเหมือนกับมันเย็นแล้วก็เออเอามากินมาดื่มมาอาบเพื่อที่จะลดความร้อนความร้อนในความโกรธความโลภของเราเนี่ยให้มันลดลงให้มันลดลงคนที่ลดได้มากเท่าไหร่คนนั้นก็มีสันติในหัวใจได้มากเท่านั้น <c oughs> นะอันนี้เราลองฟังนะเหล่าจื้อของของเต่าเขาเนี่ยเขามีพูดแต่ไว้ว่ารบชนะมิอาจนับเป็นสิ่งดีงามและผู้ที่คิดว่า เป็นสิ่งดีงามก็คือผู้ชื่นชอบในการฆ่าฟันนะอันนี้ในของเมืองจีนจริงๆไม่ของจีนน่ยของไทยแต่โบราณมาก็ตามจะมีการนรบจะมีการฆ่ากันมาเนี่ยเกือบทุกประเทศแหละหนีไม่พน้นนะแต่มันต่างกับตรงคนสมัยโบราณเนี่ยเคารพกันส่วนใหญ่เพราะเขาจาเป็นคนโบราณนะเขาจำเป็นนะแล้วเขาก็รบกัน ยิ่งยุคแรกๆเนี่ยจะมาฆ่าแกงกันนี่ต้องโอ้โหเพราะมันมีเหตุนาะที่เรียวกว่าอะไรอะแย่งน้ำแย่งอาหารแย่งอะไรคือแย่งปัจจัยที่จำเป็นนะบางทีก็ลบกันฆ่ากันแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันลบกันฆ่ากันไม่จำเป็นเลยไอ้สิ่งที่ที่แย่งกันบางทีแย่งหมวกสักใบแย่งเสื้อสักตัวไม่ไม่จาเป็นอะไรนักหนาเลย น่าแค่รองเท้าคู่เดียวมันฆ่ากันตายอ่พบางแค่ขนมชิ้นเดียวอี่มันฆ่ากันตายบอกโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วคนโบราณเนี่ยต่อให้เข้าลบเขาฆ่ากันจริงๆเนี่ยเขามีระเบียบวินัยนะเออเข้าใจะใ้นั่นเลยแบบว่าถึงเวลาลบอถึงเวลากลางวันอย่างเงี้ยอ่าบางทีเคาะกองตีสัญญาณว่าอาจจะลบกันแล้วนะเออแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาสู้กันมาลบกันเสร็จ เพราะกองหมดเวลาลบนะต่างคนต่างกลับเข้าเข้าใ่ายของตัวเองกองคืนไม่มีอะว่าจะบุกมาโจมตีฆ่าแกงกันไม่มีเอเดี๋ยวถึงเวลาลบเอาเคาะใหม่แล้วก็เอาออกมาลบกันแล้วหน้าฝนหน้าฝนเขาไม่ลบก็ถือว่าโอ๊ยนานี้เอาไว้ทํานาทําไร่ทําสวนทําอะไรนาปลูกพืชปลูกผักไว้ทํามาหากินเขาไม่ลบสมัยโบราณก็เป็นอย่างนั้น แต่ทุกวันนี้คุณดูสิโอ้โหอะไรนะสุ่มแบบกองโจร น, นะบางทีฆ่าไอคนนั้นยังนอนอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวตายแล้วเรียบร้อยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตายมันเพราะว่ามันนอนหลับอยู่มันยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตายคนเออแหมพูดถึงตรงนี้นี่คุณจะคิดยังไงให้ให้ให้คุณลองคิดนะไอคนที่มันนอนอยู่ดีดีเนี่ยเสร็จแล้วมันก็โดนฆ่าไปเลยนะ มันยังไม่รู้เลยว่ามันตายเนี่ยคุณว่ามันจะตื่นไหมมันจะพอมันมันก็มันไม่รู้ตัวนว่ามันตายอ่ะแล้วคุณว่ามันจะตื่นมาไหมนะอะไรนะไม่ตื่นเอาก็มันไม่รู้เลยว่ามันตายมันนึกว่ามันหลับอยู่อะฮะอะไรนะไปตื่นอีกพวบหนึ่ง อ้าวก็มันไม่รู้นี่ว่าใครมาฆ่าซ้ําแไปเพราะมันหลับสบายอยู่ดีอ่ะเอ้ยอุบัติเหตุรู้สิบางทีบางก่อนเกิดอุบัติเหตุมันรู้นี่ใช่ไหมออก็ทันทีทันใดมันก็รู้นี่จะว่าคุณเดินมานะอยู่ดีๆก็ตึกลนทับเงี้ยอืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ โดนรถชนใช่ไหมเอออคนนั่นงหลับไม่รู้ตัวเอาแล้วไงเออเออไม่นาสิเออเอาแล้วยังไงเอา้าก็เขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ตื่นขึ้นมาเออก็เขาหลับอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาคิดว่ า, า น, น, านี่นี่นี่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้อะไรเวลานอนเนี่ยคนคิดอยู่นะ คุณไม่รู้ต่างหากเราคุณไม่รู้ตัวต่างหากแล่ะ ว, ว่าคุณคิดอยู่เวลานอนเอนี่ยเพราะฉะนั้นเอาคุณคิดดูสิคนที่มันไม่มันไม่รู้ว่ามันจะตายไงนะมันยังคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลานี้เวลานี้มันก็ตื่นมาปกติของมันใช่ไหมอ้าวพอตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะมันก็จะตื่นสิฮจิตเนี่ยมันตื่น จิตมันไม่หลับหรอกแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่ตื่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยสมมุติว่ามันโดนสมมุติวโดนแทงที่หัวใจตายไปแล้วนะหรือว่าเอาโดนอุดจมูกตายไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะอ้าวตายไปแล้วอ้าวร่างกายเนี่ยมันหัวใจมันหยุดเต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายใช้ไม่ได้แต่จิตคนนั้นเน่ยมันตื่นมันไม่หลับหรอกจิตไม่ได้หลับมาบอกแล้วคุณตอน นอนอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ได้หลับจิตนะจิตมันไม่ได้หลับก็บไปกับคุณจิตมันก็ปุงบางทีมันไปตามเรื่องตามเรามั น, ม น, นใช่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองอนะ เ, เอาคนนี้เราสมมุติอย่างเงี้ย ว, ว่าเขาไม่รู้อ่ะ <c oughs> สมมุติว่าเขาไม่รู้ไงอาตมาก็ไม่แน่ใจนะที่เขาบอกว่าคนที่ไหลาตายอ่ะหลับแล้วก็ไหลาตายไปเนี่ย บอกว่าบอกว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้ตัว้เกาตายไปเลยนะ อ, ย <Okay. One. S 1> อาจจะนึกว่าได้ไปสวรรค์แล้วนะได้ไปเที่ยวไปอะไรต่ออะไรก็ได้วันจิตไม่ได้หลับจิตมันก็ไปของมันตามเรื่องตามราวของมันแต่ร่างกายอสมมติว่าหัวใจห ย, ยุดเต้นไปแล้วอ่ะอเพราะฉะนั้นร่างกายใช้ไม่ได้แต่จิตมันตื่นอยู่ เดี๋ยวมันก็ต้องหาเกิดที่หาที่เกิดใหม่อีกเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้หลับเนาะถ้าจิตมันหลับจริงจริงอย่างที่พวกคุณบอกนั่นแล้วมันไม่รู้ตัวเลยนะสมมติมันตายไปตอนหลับหลับนะเอาอย่างนี้มันก็วิญญาณมก็หลับไปเลยสิอย่างนี้มันก็ดิพานไปสิใช่หรือเปล่าล่เออมันก็ดิพานไปเลยสิถ้างั้นโอ้ไม่ไม่ชัยนี่ไอ้นี่มันยังมีกิเลสอยู่เยอะแยะมันหลับไม่ลงหรอกยังอยากจะกินไอ้นันอยากจะเคี้ยวไอ้นี่อะไรอีกตั้งเยอะแยะ เออเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หลับหรอกนะอันนี้อันนี้พูดให้ฟังในแง่ที่ว่าจิตคนเราเนี่ยมันถ้ามันสะสมมันเป็นยังไงมามันไม่เปลี่ยนง่ายๆการจะเปลี่ยนสภาพวิจิตได้คนนั้นต้องฝึกจากชีวิตประจําวันปกติไม่ใช่คุณหลับไปแล้วคุณก็จะได้ได้ความสุขความสบายตามที่คุณหลับจริงๆมันไม่ใช่อันนั้นก็แค่ว่าคุณจําไม่ได้เท่านั้นเอง มันก็เลยรู้สึกเหมือนกับสบายคุณจำไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วคราวนี้จิตของเราจริงๆมันรุนแรงมันจะฆ่าฟันมันจะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันสังสมอยู่ในจิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองปรับจิตใจตัวเองคุณไม่ฝึกเอาไว้คุณทำไม่ได้พอถึงเวลาปั๊บขึ้นของพวกนี้ขึ้นมาหมดคุณบังคับไม่อยู่เลย อาตมา ถ, ถึงบอกหลายคนว่าคุณอย่าไปฝึกที่ตอนเจอผัสสะแล้วคุณไปฝึกไหวที่ไหนเล้วสมมุติว่าคุณสะสมความรุนแรงไว้เนี่ยเอาไว้ในใจคุณสมมุติว่าเต็มเต็มเนี่ยเต็มมันสมมิบกิโลแต่สมมุติว่าเราสะสมเอาไว้ตั้งเจ็ดกิโลแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหมันเกินครึ่งมันตั้งเยอะแล้วคุณจะไปยั่งอยู่ยังไงล่ะพอใครมายั่วยุอะไรขึ้นปั๊บคุณก็ขึ้นทันทีเลยเจ็ดกิโลเนี่ยก็โผล่ทันที วันตอนนี้เราฝึกเอเราฝึกพยายามฝึกกับอะไรฝึกกับ เ, เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้นะที่มันอะไรที่มันจะทําให้เราโกรธเสื้อผ้ามันทําให้เราโกรธได้ไหมฮะได้ได้ยังไงไเออ <laughs> ชักฉลาดแล้วพวกนี้ <laughs> เออชักไรไม่จนแล้วตอนนี้ <laughs> เออนะ จริงๆแล้วเสื้อผ้ามันไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิ ญ, ญญาณอะไรหรอกมันมันทำให้เราโกรธเกลียดอะไรไม่ได้โดยความเป็นจริงแต่จิตที่เราไปผูกไว้กับมันเนี่ยแหละนะเรารักเราชอบวันใครมาแต่นิดใครมาทําให้เลอะหน่อยเราโกรธเนี่ยเสื้อผ้าก็เลยมีผลทําให้เราโกรธขึ้นมาทาั้งทั้งที่ความจริงมันไม่ได้มีชีวิตจิตใจอะไรเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้เราโกรธได้คราวนี้เราจะฝึกไง เ, เอ้เราจะฝึกแก้ไอ้ความ รุนแรงความโกรธความไม่ชอบใจพวกนี้วันฝึกยังไงกับเสื้อผ้าวันเสื้อผ้าตัวสวยเสื้อผ้าตัวโปรดตี่ฝึกยังไงบ้าง <c oughs> ฝึกฝึกแทนที่จะใส่แม้ต้องเอาไว้ใส่เที่ยวต้องอ้ต้องสวยต้องขาวสะอาดต้องอะไรอยู่เสมออฝึกยังไงคราวนี้ฝึกเอามาใส่ทํางานก็ได้ <c oughs> นะมันจะดำบ้างมันจะเลอะว่างมันจะเปรอะบ้างเอา้าวทำใจนะหรือเผื่อบางทีใครเขาเอาไปเช็ดโต๊ะบ้างก็อย่าไปถือสาอะไรเขาอย่าไปถือสาอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกฝึกคือไม่ต้องฝึกอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นน่ะมันจะอุณภูมิในใจมันจะลดลงลดลงคราวนี้แหละคุณไปเจอผัสสะจริงๆเข้าคุณถึงจะอ่าฝึกมาแล้วนี่ก็เอามาใช้เลยจากคราวที่แล้วเจกิโล เราฝึกเราฝึกแล้วบางทีมันลดมาเหลือหกกิโลเหลือห้ากิโเอาละคราวนี้ชักชักไม่เกินครึ่งแล่าคุณลดลงไปอีกเหลือสี่กิโลคุณสบายแล้วคราวนี้ชักจะขึ้นยากแลเรียกว่าต้องอยั่วยุกคุจริงๆเลยคุณถึงจะมไม่ไหวแล้วไม่ไหวล้วทนไม่ไหวล้